เราทพึ่งคนอื่นไม่ได้เรื่องมันนะตายเราก็ตายคนเดียวไม่มีใครมาช่วยตายด้วยเลยต้องคิดถึงตัวเองอย่างนี้เวลาความตายมาถึงเข้าใครก็ช่วยไม่ได้ญาติพี่น้องนั่งห้อมล้อมอยู่เต็มก็ช่วยไม่ได้เลยอันนี้แต่ตัวเองเท่านะั้นช่วย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 อะไรก็ดีนะก็แล้วนั่งภาวนาแล้วก็หัดตายนั่นนี่ตายสิเราไม่เอาอะไรจิตใจหยุดคิดเลยหยุดกรุงแต่งเราอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้มันนี้ไม่ไม่แฮ ม, มันมีไรสมมุติว่าเราตายจากโรคอันนี้แล้วอ่ะจิตมันหยุดคิดเรามันก็เหมือนกับว่าตายจากโรคนี้นั่นนี่ ให้ทำในใจอย่างนี้มันจึงจะไม่สะดุ้งหวาดกลัวเมื่อเวลาความตายมาถึงเข้าต้องเจริญความตายนีย้บ่อยๆบางคนเพราะว่าการนึกถึงความตายนี่อายุมันจะสั้นเข้าจะตายเร็วไม่ใช่อย่างนั้นหรอไอ้ผู้ที่มัน ไม่นึกถึงความตายแล้วมันตายก่อนวัยที่ควรจะตายก็มีเยอะแยอะอยู่นี่พวกไม่ภาวนานะไม่ทันถึงวัยแก่อะไรก็มาตายกันก็มีอยู่เยอะแยะนี่คนพวกใี้เห็นอย่างนั้ น, นแสดงว่ามันไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อผลของกรรมมันไม่เห็นแจ้งในกรรมสกัตายานนี่นะ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 ไม่ใช่ว่าเราไปแต่งเอาได้ตามประสงค์เมื่อไรแล้วก็เมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อเกิดขึ้นมามีรูปมีลางขึ้นมาแล้วก็กรรมที่ทํานั่นแหละมันตามรักษาอยู่นี่ถ้าผู้ใดเห็นแจ้งอย่างว่านี้แล้วมันมันก็ไม่หวั่นไหวแนละ้วอ๋อถ้ากรรมตายมาถึงก็แล้วทํำยังไงมันก็ตายถ้าหมดบุญหมดกรรมที่ทํามาแล้วมันก็ตาย บุญกรรมยังไม่หมดก็ยังไม่ตายมันเห็นนึกได้อย่างนี้มันรู้ได้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่สะดุ่งหวาดกลัวต่อใครอันตรายใดๆเพราะถึงจะกลัวอะไรมันก็ไม่ฟังไม่มีอะไรจัดันทานได้ไอความกลัวนะ่มันทำให้เกิดความทุกข์ใจเสียเปล่าๆถ้าไม่กลัวแลวมันไม่เป็นทุกข์ใจนี่เอาจะเอาทางไหนวะนี้ เอาทางกลัวหรือว่าเอาทางไม่กลัวก็ต้องถามตัวเองทุกคนก็คงจะเอาทางไม่กลัวนั่นแหละเพราเมื่อมันไม่กลัวแล้วมันก็ไม่ทุกข์ใจมันเป็นงั้นถ้ากลัวแล้วมันเป็นทุกข์ใจมันเดือดร้อนไม่มีสติคนเราถ้ากลัวมากเข้าไปแล้วควบคุมจิตไม่ได้แล้วจิตก็เลื่อนลอยไปทั่วแล้วแบบนี้นะเออไปเกาะไปคล้องอะไรต่ออะไรสารพัดนี่เพราะฉะนั้นเราต้องหัดไว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 ระหว่างความตายกับความเป็นอยู่นี่มันมีลมหายใจเป็นสัญลักษณ์ถ้าลมหายใจนี่ยังปรากฏอยู่ก็แปลว่ายังไม่ตายแต่ถ้าลมหายใจนี่หมดลงเ ม, มื่อใดแล้วเป็นอนว่าตายนี่นี่แหละเราต้องพิจารณาทั้งสองทางเลยทีนี้เมื่อเวลาที่มีลมหายใจเข้าออกอยู่นี่มันก็ได้พบตั้งแต่ความยุ่งยาก พบตั้งแต่เรื่องขัดข้องอะไรต่ออะไรในโลกสันนิบาตอันนี้นะมันเป็นอย่างนั้นไอนักปราดทั้งหลายท่านพิจารณาเห็นความยุ่งยากอย่างนี้แหละโดยเฉพาะผู้ครองเรือนะ้ยิ่งยุ่งหลายยิ่งลำบากไงถ้าไม่มีเงินจะใช้จะจ่ายเอาแล้วนั่นแหะยิ่งเป็นทุกข์หลายแบบนี้นี่มันเป็นอย่างนั้น ไม่มีข้าวจะกินก็ยิ่งทุกข์หลายถ้าเงินขาดมือซะอย่างเดียวแล้วก็เดือดร้อนกันเลยก็อยู่คลองเรือนนะแล้วผู้อยู่ครองวัดก็เหมือนกันนะลองคิดดูนี่แหละครองวัดนี้ถ้าเงินขาดมือลงไปแล้วก็เอาแล้ววุ้นกันแล้ววัดอ่ะหนขาดน้ำในข้าวไฟ ไหนค่าโรงครัวไหนค่าคนงานทํางานในวัดนู่นออมันมันจําเป็นต้องจ่ายนี่วันนี้นะนั้นแหละถ้าไม่มีเงินเราจะไหนเราจะอยู่กันได้เราอยู่ก็ไม่ได้เลยแต่ว่าทางวัดนี่เราอยู่ด้วยบุญนะนั่นแหละเอาบุญว่าอืม เราไม่ได้ไปดินน้นรนหาอุบายขอโน่นขอนี่กับใครไม่มีเลยอุบายอย่างนี้ส่วนแล้วแต่ใครมีศรัทธาบริจาคมาอย่างไงเราก็รับไปอย่างนั้นมีน้อยก็บริโภคใช้สอยไปตามน้อยมีมากก็ใช้ไปตามมากไม่มีก็ไม่ใช้มันเลย ก, ก็ทำใจลงอย่างนี้นะมันจึงอยู่สบายได้ในโลกอันนี้นะแต่ถ้าไปกลัวเกิดความกลัวอยู่แลวกลัวจะอดกลัวจะอยากกลัวจะไม่มีใครดูแลช่วยเหลืออย่างนี้เราก็เป็นทุกข์ใจแล้ว ม, มันไม่เราไม่ต้องกลัวอย่างนั้นไม่ต้องวิตกกอย่างนั้นเราต้องอธิษฐานใจถึงบุญถึงกุศลความดีที่เราทำมา ถ้าบุญกุศลเราได้ทํามาแต่ก่อนแล้วประกอบกับการกระทําความดีในปัจจุบันนี้เมื่อหางมีจริงอย่างนี้บุญกุศลนั้นมันก็คงจะโดนบันดาลไม่ให้ถึงกับอดอยากทุกข์ยากลำบากเกินไปเราเชื่อบุญเชื่อกุศลอย่างนี้แหละจึงทําใจสบายไปเลย มันนี่ถ้าบุญเรามีมันก็โดนบันดาลให้มีมาอย่างนี้แหละมันมีมาโดยชอบทำเราก็บริโภคมันถ้ามันมีมาโดยที่ไม่ชอบทมเราก็ไม่เอาเพราะเราถือทำเป็นใหญ่การดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ถ้าเราไม่ถือทำเป็นใหญ่แล้วชีวิตนี่หันเหไปทั่วเลยหันไปทางดีก็มีหันไปทางชั่วก็มี อย่างคนทั่วๆไปที่ไม่ไม่ถือไม่ถือธรรมเป็นใหญ่นั่นเนอเจอดีก็ทําดีเข้าไปเจอชั่วก็ทําชั่วเข้าไปอย่างนี้ชีวิตนี่จึงว่าไม่เป็นปกติสุขอยู่ได้นั่นเนองเพราะว่าถือขาวกรรมชั่วมันให้ผลมันก็เป็นทุกข์เดือดร้อนนะัะนเะ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 ผู้รู้แจ้งในกรรมในผลของกรรมอย่างว่านี่แหละจะเป็นนักบวชข้อดีเป็นคารังหัดข้อทีก็จะจะไม่ตกต่ำคำว่ า, ารู้แจ้งหมายคว่ารู้ทั้งกรรมดีรู้ทั้งกรรมชั่วนะกรรมชั่วมีลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นกรรมดีมีลักษณะอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยเราต้องรู้ให้มันทั้งสองอย่างอย่างนี้มันแจ่มแจ้ง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 เขาไปเชื่อตั้งแต่สิ่งภายนอกนู่นว่าเป็นเหตุทำให้คนเราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นี่พะที่อื่นศาสนาอื่นอย่างนี้เลยเขาจะทำพิธีบวงสวงบูชากาจัดปัดเป่า เ, เข้าใจว่ามันมีตัวมีตอนอะไรมาทำให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่ในกายนี่น ะ, ะจะได้ทำพิธีสะเคราะห เสกเป่าอะไรต่ออะไรกันนั่นลทัทธิอื่น เ, นเขาเขาเห็นว่าความวิบัติต่างๆนั่ น, ม, นมันมีอยู่ภายนอกแล้วมันมาทำให้ร่างกายนี่มันวิบัติแปรปรวนไปทีนี้ความเห็นในพระพุทธศาสนาหรือว่าความรู้ของพระพุทธเจ้าอย่างนี้พระองค์ไม่เห็นอย่างนั้นเหมือ น, นี้พระองค์ รู้แจ้งด้วยพระกัญญาอันยิ่งว่าร่างกายนี่มันจะเป็นดีหรือเป็นชั่วไปยังไงยังไงมันก็เกิดจากกรรมในอดีตที่ทํามาอออย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละอย่างนี้นะกรรมในอดีตตามมาตกแต่งให้ทั้งนั้นเลยอืวันนี้กรรมดีกรรมชั่วที่ทำเอาในปัจจุบันนี่มันก็จะติดตามไปตกแต่งให้ ในพบในชาติต่อต่อไปอีกนี่บุคคลผู้ที่ยังลา ก, กิเลสไม่หมดนะทําำ ร, รมดีมันก็เป็นบุญกุศลไปทํากำคำชั่วกเป็นบาปไปอย่างนี้แหละคนละ ก, กิเลสยังไม่หมดนะนท่านผู้ละ ก, กิเลสหมดสิ้นไปแล้วท่านทําอะไรลงไปแล้วไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปเลยเป็นตะ ก, กิริยาเท่านั้นเองนะแต่ว่าท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วท่านเลือกทําเลือกพูด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 คนยังไม่สิ้นทุกเออทําความดีอะไรก็ขอให้พ้นทุกพ้นภยนัยขอให้พ้นจากกิเลสบาปประทับทั้งหลายนี่าาคำมั่นคำว่าเราอธิษฐานเอาบุญเอากุศลที่เราทํานั่นแค่จัดกิเลสบาปประทับกำมันชั่วซึ่งก่อกวญให้เป็นทุกข์อยู่ในชีวิตจิตใจอันนี้ให้หมดไปสิ้นไปนี่แหละสําหรับผู้ยังไม่สิ้นกิเลสนะ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 ต้องให้เข้าใจอย่างนั้นนี่นะมีคนอยู่เป็นจำนวนมากเข้าใจผิดไปคันมันเกิดความรู้คนในธรรมมันก็บรรู้เกินมันไม่พอที่มันเกินส่วนไปสัอย่างนี้นะมันไม่เป็ น, นมัธยมสายกลางเพราะฉะนั้นเราฟังทำกันอยู่บ่อยๆอย่างนี้มันต้องให้รู้ความหมายนะรู้ความหมาย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 ไม่ทราบว่าวตนเกิดมายังไงเป็นยังไงอไม่รู้ไม่รู้จริงๆแต่แต่เมื่อยังไม่ได้สนใจท ร, รมาคําสอนของพระพุทธเจ้าพูดพูดอยู่นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนมืดแปดด้านเลยอย่างนี้เลยต่อเมื่อได้มาศึกษาสัะตับฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่เข้าไปก็จึงได้รู้ว่าอันนี้คือบาปอันนี้คือบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์จึงได้รู้จึงได้เข้าใจ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 ควรปฏิบัติตามพระวินยัยพระพุทธเจ้าทรงห้ามมาไม่ทําทำอะไรแล้วก็ไม่ทำอย่างนี้จะไม่ดีเหลอเอาไหมพวกเรามาปฏิบัติตามพระวินยัยอย่างนี้องค์โน้นก็ว่าผมไม่ได้ทำไม่ได้องค์นี้ก็ว่าผมทำไม่ได้ถ้าหากว่าใครก็ทำไม่ได้แล้วผมก็จะไม่อยู่กับพวกท่านแล้ผมจะหนีเข้าป่าไปเลยนะ จะตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้ตรงต่อพระวินัยอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้ในที่สุดก็ได้หนีจากวัดบ้านจริงๆนั่ น, นหนีเข้าฝ่ามาสำรวมกายวาชาใจขงสนตามธรรมตามวินยัยก็จึงได้ความสบายกิจสบายใจมาโดยลำดับการประพฤติปฏิบัติมาไม่มีถอยหลังเลย นี่จะทาพยายามก้าวหน้ามาเรื่อยๆ อ, อย่างนี้เพราะฉะนั้นความเป็นอยู่ในการประพฤติพรหมจรรย์มันก็จึงสม่ำเสมอมาโดยลำดับจนถึงปัจจุบันมันเป็นอย่างไรเรื่องมันนะคือมันต้องเกิดความรู้สึกขึ้นในใจสัก่อนที่ยกเรื่องราวสองส่วนตัวมาเล่าสู่ฟังนี่ก็เพราะว่าต้องการอยากให้ผู้ฟังนั้นได้ระ ล, ลึกถึงตัวของตัวเอง เช่นอย่างว่าผู้ที่พอฟื้นรมอาจันเป็นนักปวดอย่างนี้นะก็มานึกถึงตัวเองว่าตนเองนั้นปัจจุบันนี้นะมีกิเลสตัณหามันลบควนจิตใจไหมจิตใจตนเองเป็นทุกข์กับกิเลสตัณหาหรือไม่ลองให้รู้สิทาไมจะไม่รู้รู้เรื่องของตัวเองรู้ทั้งนั้นเละถ้าพิจารณานะแต่ถ้าคนไม่พิจารณามันคงไม่รู้เท่านั้นเอง อเรื่องมันนะแต่พวกพูดเนี่เมื่อยังหนุ่มอยู่นั้นอ๋ยพิจารณาเห็นตัวเองอยู่เรื่อยบางทีฉันเข้าฉันไปฉันไปนึกถึงกิเลสมาแล้วเอาละอย่าไปฉันหลายเถอะกิเลสมันหลายอยกบาตรออกไปเลยไม่ทันอิ่มก็ยกออกไปแล้วเนี่ยมันเห็นโทษของตัวเองตัวเองกิเลสมันยังหนาอยู่ไปฉันอะไรมากมายอย่างนี้ เลี้ยงกิเลสให้มันอ้วนว อ, อย่างนี้เนี่ยมันนึกถึงตัวเองอยู่เสมอเพราะฉะนั้นอย่าไปยออ่อท้อถ้าหากว่าเราไม่มีกิเลสตัณหารบ ก, กวนจิตใจเป็นทุกข์เดือดร้อนพราพ เ, เจ้าก็ไม่ได้ทรงแสดงข้อวัดปฏิบัติไว้ให้พุทธบริสัทธ์ทั้งหลายปฏิบัติตามการที่พระองค์เจ้าทรงแสดงข้อปฏิบัติไว้นี้ก็เพื่อ ให้ปฏิบัติตามที่พระองค์เจ้าแนะนํานั้นแล้วกิเลสมันจะน้อยจะได้บเบาบาง อ, อุปจกกักขีดใจในี่ความหมายของข้อปฏิบัติในพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้นะดังนั้นการที่มาพิจารณาเห็นโทษของกิเลสตัณหาเนี่ยจึงเป็นสิ่งสําคัญมากนะอือย่าพากันไปย่อท้ออย่างที่ว่ามาแล้วนะั่นแหละถ้าไม่มีกิเลสตัณหาในาศาสนาก็ไม่มีเลย พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าก็ไม่มีขอให้คิดดูอย่างนี้กันแล้วกันนะเหตุที่จะมีพุทธศาสนาขึ้นมานี่ก็เพราะเหตุว่าอท่านผู้สร้างบา ร, รมีปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะองค์งท่านมองเห็นโทษของกิเลส ต, ตัณหาเนี่ยเบื้องต้นนะเมือม่อเมื่อเมื่อมองเห็นตัวเองว่าเป็นทุกข์เพราะกิเลส ต, ตัณหาแล้ววันนี้ก็มองเห็นบุบคคลอื่นและสัตว์อื่นทั้งหลาย ก็เป็นทุกข์พะกิเลสตัณหานีนเหมือนกับเรานี่แหละอย่างงี้นะมันในต่างคนต่างก็ไม่รู้หนทางไม่มีอุบายแยบคายที่จะมาระ ง, งับกิเลสตัณหานี่ได้เลยเอาถ้าอย่างนั้นเราจะต้องสร้างบา ร, รมีปรารถนาเป็นพระพุท ธ, ธเจ้าซะก่อนมันถึงจะสามารถลากกิเลสตัณหานี่ให้ขาดจากสันดานได้แล้วก็จะได้ช่วยเหลือผู้อื่น บอกแนะนำอุบายต่างๆให้ให้คนทั้งหลายได้ฟังแล้วได้เอาไปปฏิปฏิบัติตามระ ง, งับกิเลสตัณหาไปตามได้พระองค์ทรงดำริอย่างนี้แหละจึงได้เริ่มสร้างบุญบา ร, รมีมานี่นะขอให้คิดดูให้ดีน่งว่าเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วนะเวลาเราปฏิบัติทำไปมันกิเลสมันลบควร จิตใจขึ้นมาอย่างนี้อย่าไปถือว่ามันดุร้ายกิเลสอย่าไปถือว่ามันทําความเป็นทุกข์เอให้แก่เราแล้วก็เราก็ไม่สามารถที่จะละมันได้แล้วก็ท้อใจซะเลยเลยละข้อวัดปฏิบัติไปผู้ดใดคิดอย่างนี้นับว่าไม่ถูกต้องเลยเอไม่ถูกต้องทางที่ถูกต้องคิดยังไงอะ่ะอก็คิดว่า ก็เพราะกิเลสมันมีในหัวใจนั่นแหละพระองค์เจ้ายังสอนให้ปฏิบัติท ร, รมมีแต่ธรรมะเท่านี้แหละระงับกิเลสบาปธรรมในหัวใจของคนได้ทํากับวินัยนี่นะนั่นแหละหรือว่าศีลกับธรรมนี่นะระงับความโลภความโกรธความหลงมานณาทิฏิสัพพสังกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายให้น้อยบาวางหรือหมดสิ้นไปจา ก, ก จ, จิใจได้มีเท่านี้เองนะ พิชาความรู้อย่างอื่นไม่สามารถที่จะละกิเลสตัณหาดากล่าวมานี้ได้เลยนังจะที่ให้เห็นเช่นอย่างว่าการให้ทานอย่างนี้นะมันก็เป็นการระงับความโลภความตนี่ออกจากหัวใจลองอคิดดูผู้ที่ให้ทานได้ก็แสดงว่าผู้สละเสียซึ่งความโลภความตณีห่วงเห็นเงินทองเข้าของนะมันจึงมันจึงทําทานได้ ถ้ายังหวงแหนเงินทองก็ของอยู่ทำทานไม่ได้เลยเมื่อเป็นเช่นนี้ความโลภมันก็ไม่เบาวางแค่คิดใจนั่นแหละให้คิดดูนั่นนั่นเนเราจะไปเอาเวทมนตร์คาถาหรือไปก้อนวานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไดสากลโลกให้มาขจัดความโลภนี่ออกจากหัวใจอย่างนี้นะมันจะไปได้ยังไงอะขจัดไม่ได้เลยถ้าขจัดได้อย่างนี้พวกนับถือศาสนาอื่นเขาใช้เวทมนตร์คาถากัน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 มีแต่อำนวยความสุขความเจริญให้แก่ผู้อื่นเท่านั้นเองทำอะไรไม่ให้ให้คนอื่นเดือดร้อนนะเนี่ยไอคนภูรักีเลตบาพธรรมออกจากหัวใจล่ะมันเป็นอย่างนี้นี่มันมั น, ม, นมันแสดงให้เห็นได้ชัดๆเลยนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทำไมเราเราถึงจะมองไม่เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาะล่ะ ทำไมเราจริงจะมองไม่เห็นคุณแห่งข้อวัดปฏิบัติศิลอย่างนี้นะการรักษาศินอย่างเคร่งคัดเข้าไปจริงๆเนี่ยเนี่ยอจนเป็นปรมัาถศินลงไปอย่างนี้มันก็ทําลายความโกรธความมายาบาทอันมีในหัวใจมาแต่ก่อนนั้นเบาบางออกไปจากขิดใจแต่ถ้าคืนยังโกรธอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันก็ทําลายศินเนี่ยเมื่อผู้นั้นเข้ารบต่อศินอยู่เห็นคุณของศิน ว่าจะพาตในให้พ้นทุกข์ได้จริงอย่นี้มันก็ไม่มันก็ไม่โกรธทีนี้นะอ่าใครจะมายั่วให้โกรธมันก็ไม่โกรธมันก็อดเอาทนเอากําหนดละกันไปเรื่อยๆไปความโกรธมันก็เบาไปเรื่อยเพราะว่าเรารู้ต้นเห็นมันอยู่นี่ถ้าขืนโกรธ ม, มากๆเข้าไว้ก็ทําลายสินให้หมดเท่า น, นั้นเองคนไม่มีศินแล้วก็มีแต่บาปเท่า น, นั้นแหละเป็นเจ้าเรือนอยู่ในหัวใจอือนี่ คุณของศีลนะจึงชื่อว่าประเสริฐล้ำเลิศคัด จ, จัดความโกรธความวามายาบาตในหัวใจออกไปเอา้าศีลแล้วก็ธรรมบนี้ธรรมก็คือเมตตาการุณาเมตตากรุณาก็สนับสนุนศีลให้บริสุทธิ์อมันเป็นอย่างนี้เรื่องมันนะดังนั้นนะศีลไอ้บาปกรรมความชั่วในความโกรธนี่นะจะไปเอาคาถาอาคมอะไรมา เสกมาเป่ามาขจัดมันให้มันระ ง, งับมันก็ไม่ได้เหมือนกันเลยกับความหลงเหมือนกันนะอก็มีแต่เจริญมเมตตาขึ้นแล้วก็สมทานสิกขาบทที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้นั้นให้มั่นคงในใจไม่อยอมล่วงเกินนี้แหละถึงจะระ ง, งับมันได้ไอ้ความโกรธความมั่าบนะัตาน่ะให้เข้าใจอวันนี้ธรรมดาจิตใจของคนเราเนะ่ยมันหลง มันไม่รู้แจ้งในวิถีชีวิตนี่ตามความเป็นจริงทุกคนย่อมรู้ตัวนั่นแหละรู้เลยนะทุกคนย่อมรู้เมื่อเพ่งเข้าไปดูตัวเองเออไอเรานี่นะมันมาอย่างไงเนะ้ะจึงมาเกิดในโลกนี้มาแต่ที่ไหนอย่างนี้นะแต่เราก็นึกได้แต่เพียงแค่ว่าเราก็ตายไปจากสัตว์ก่อนนั่นแนหะก็ามาเกิดในชาตินี้ แต่ชาติก่อนนะั้นเคยเกิดเป็นอะไรบัานี้นั่นไม่รู้เลยนะเกิดเป็นสัตว์สวาสิ่งหรือว่าเกิดเป็นเปรตเป็นผีตายจากเปรตจากผีมาเกิดเป็นคนบ่หรือว่าจุติจากสวรรค์เป็นเทวดาจากสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์ขึ้นมารู้ไม่ได้เลยนี่แหละเมื่อทบทวนคืนแล้วมันก็มืดตืออมันเป็นยางไง แล้ววันนี้เมื่อเพ่งดูไปอเบื้องหน้าวันนีเ้เมื่อเราละโลกนี้ไปแล้วจะไปที่ไหนเนาะไปเกิดที่ไหนจะมีความสุขหรือมีความทุกข์เนานี่ไม่รู้แจ้งเลยมืดแปดด้านเหมือนกันอันนี้ก็ดีนี่นั่นแหละแล้วปัจจุบันที่มีลมหายใจเข้าออกอยู่เดี๋ยวนี้มันก็ยังแก้ปัญหาหัวใจตัวเองไม่ตกอเมื่อมันคิด ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยบางซี่งไม่มีอุบายจะแก้ไขเลยก็มีเฮ้ยทำไมจิตนี่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยแล้วเกินนี่ทํางนี้ก็ไม่อยู่นต่ลองคิดดูสินี่แหละการที่บุคคลไม่ได้ปฏิบัติตามคําสอนของเจ้าอย่างจริงจังนะชีวิตนี่ย ม, มืดบนอนาการไม่รู้จักหนทางดับทุกทางใจได้เลยนี่ทีนี้เมื่อบุคคลมาได้ปฏิบัติตาม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 เขาทำใจที่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยให้สงบลงอย่างนี้นะการที่จิตฟุ้งซ่านเลื่อนลอยหรือมันไม่มีปัญญาคิดอะไรก็ไม่ออกมันไปนอย่างนั้นเรื่องมันนะเหมือนอย่างคนตาบอดเดินตามทางเราไม่หมองเห็นว่าถุกอะไรเลยเดินไปอย่างนั้นแหละอาศัยแต่ไม้แท่อันหนึ่งตอกนั้นสักอันนี้ไปแกวงไปแกงมา ไปถูกอันนั้นเข้าไปไม่ได้นี่ว่าตอเนี่กับเล็กไปตามนั้นแหละแต่ไม่เห็นรูปร่างของตอเลยอันนี้ชั้นใดจิตใจคนเราเมื่อถูกอวิชชาตันหามครอบงําแล้วก็มืดมลเหมือนกับคนตาบอดภายนอกนี่แหลอะอก็เป็นอย่างนั้นนี่เพราะฉะนั้นเลยผู้ใดมาเห็นว่าต น, น, นยังมืดบอดอยู่เนี่ย อันทางที่จะทำให้หายมืดถายบอดก็ภาวนาทำใจสงบลงไปอย่างว่านี้สินั่นแหละอันถ้าผูใ้ใดชอบมีจิตฟุ้งซ่านเลื่อนลอยนี่กรรมาฐานอื่นนะไม่เหมาะหรอกมีตาอนาฟารสตินี่นะเหมะนะตั้งสติแ่งลมหายใจเข้าออกอธิษฐานใจเลยว่าเราจะปฏิบัติบูชาคุณเราพุทธเจ้าคุณประทําคุณประสงค์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 ไม่ท่อไม่ถอยเข้าไปสติมันแก่กล้าเข้าไปแล้ววันนี้มันก็ความพลังเผอที่จะปล่อยให้จิตคิดฟุ้งซ่านไปมันก็น้อยลงน้อยลงนะในที่สุดเมื่อเราภาคเพียนเพ่งมินิทไม่ท่อไม่ถอยสติมันแก่กล้าเต็มที่แล้วมันก็ยับยั้งความคิดต่างๆได้จิตก็หยุดคิดลงไปเพราะจิตหยุดคิดมันก็รวมลงเป็นหนึ่งได้เลยวันนี้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 นี่ก็เพ่งความรู้อันนั้นอยู่อย่างนั้นนะประคองความรู้นั้นอยู่นั่นเมื่อหาว่ามันจิตนี่มันวางอารมณ์ได้จริงๆน่ะนะมันหยุดคิดหยุดนึกแล้วก็มีสติประคองไว้อย่างนี้นะที่นายเข้าใจเราไม่ต้องไปสงสัยลังเลยอะไรหรอกที่มันจิตสงบลงไปนั้นเพราะทําความเพียรไม่พอนี่ความหมายนะ่ะ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 จิตมันไม่มีโอกาสจะคิดไปทันอื่นก็คลายอารมณ์ต่างๆออกไปอารมณ์ทั้งหลายเมื่อจิตคลายแล้วมันก็ดับไปนี่มันไปนอย่างนั้นเรื่องมันอะ่ะพออารมณ์ต่างๆดับไปจิตรู้สึกเบารู้สึกปลอดโปรง่งรู้สึกเบารู้สึกโปรงสว่างภายในนี่เมื่ออารมณ์ทั้งหลายมันออกจา ก, กนะจิตนะจิตก็จะพองใสขึ้นมาปลอดโปรง่ง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 เพ่งความรู้อันนั้นแหละให้สติมันแกกล้ามันควบคุมความรู้สึกนั้นให้นิ่งอยู่อย่างนั้นเมื่อมันนิ่งไปนานๆาเข า, าก็ก็อย่างว่านั่นแหละไออารมณ์ต่างๆที่จิตมันยึดถือเอามาซ่อนเล่นอยู่ภายในจิตใจนั้น อ, อำนาจแห่งความสงบ อ, อานาจแห่งสมาธินะั มันทับอารมณ์เหล่านั้นอารมณ์นั้นอยู่ไม่ได้เมื่อมันอยู่ไมได้มันยังได้ถอนออกไปบางทีมันก็เกิดเป็นิมิตเป็นเห็นรูปต่างๆหรือได้ยินเสียงต่างๆมาอย่างนี้นะหรือเห็นสีสันวัชนะต่างๆปรากฏขึ้นมาบางทีก็เกิดเป็นความคิดขึ้นมา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 อย่าพยโยท้อเมื่อเราได้มาสู่สถานที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติแก่การทําความเพียรแล้วเช่นนี้เราก็ทําความเพียรไม่เห็นแก่รับแก่นอนเอาจุดว่าใจที่ไม่ไม่ได้ส ง, งบลงมาแต่ก่อนก็ให้มันส ง, งบลงไปอเอามันส ง, งบอยู่ไม่นานก็ก็ก็ไม่เป็นไรพอมันถอนออมาเราก็เจริญปัญญาต่อ เอาลองคิดไปทางศีลทางธรรมคิดไปทางความจริงของสังขารสังขารอะไรมันไม่เที่ยงแล้วก็คิดไปตามแนวนั้นอย่างนี้นะเมื่อจิตถอนจากสมาธิมาแล้วไม่เจริญปัญญาไม่พิจารณาธรรมะเข้าไปอย่างนี้จิตมันก็ไปคว้าอารมณ์อื่น น, นั่นแหละทีเดีอวมันก็คว้าในเรื่องที่มันเคยไปแต่ก่อนมันมามันไปอย่างนั้นดังนั้นเมื่อจิตมันถอนจาก สมาธิออกมาแล้วอย่างนี้เราก็กําหนดเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาเป็นอารมณ์อันนี้เรื่องที่เป็นกุศลเรื่องที่จะให้จะให้จิตของเราม่นั่นเบื่อหน่ายอยันนี้นะก็อย่างว่าจับเอาเรื่องตายอย่างนี้นะมาเป็นเครื่องพิสูจน์พิจรารณาอเมื่อจิตวิญญาถอนออกแก่ร่างนี้แล้วจะเป็นยังไงร่างกายอันนี้นะอเป็นยังไง ธาตุน้ำธาตุธาตุไฟกับธาตุลมหายไปหมดเหลือแต่ธาตุดินกับธาตุน้ำเท่านั้นเองเนะที่เรียกกันว่าซากศพอไอร่างกายอันนี้ถ้าหากว่าธาตุไฟกับธาตุลมมันถอนออกไปแล้วมันไม่มีอะไรจะมาทำให้ความอบอุ่นให้มันก็เลยต้องมีแต่เน่าเปื่อยไปเท่านั้นเองเส่งกินหม็นไปถ้าไม่เผาไม่ฝังนะ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 ไหนที่ว่าตัวตนของเรามีอยู่ตรงไหนอะ่ะอย่างงี้นะตรงไหนลราเป็นตัวเป็นตนนะอะมันก็จะต้องตอบตัวเองทันทีเลยไม่ไม่มีตัวตนนะไม่มีตรงไหนเป็นตัวตนสักหน่อยเดียว อ, ะอ่ะแล้วมีแต่สภาวะธาตุดินน้ำไฟลมเมื่อมันแตกสลายแล้วมันก็เป็นอย่างนี้มันก็สูญหายไปอย่างนี้แหละไม่เห็นมีอะไรเป็นตัวเป็นตนที่เป็นที่น่ายินดีน่าพอใจหรือว่าน่าเกลียดน่าชังหมนนี้กไม่มี เพราะฉะนั้นอย่าไปหลงรักอย่าไปหลงชังรูปกายอันนี้ต่อไปเมื่อเห็นแต่งแจ้งตามไปจริงอย่างนี้แล้วเนี่ยปัญญาสอนจิตจะนี้เข้าไปจิตมันหเห็นชอบตามปัญญาเนะก็ค่อยคลายความยินดียินร้ายในรูปกายนี้ออกไปเรื่อยๆไปนี่อุบา ย, ยการเจริญสมถะอภิษณานะมันต้องอย่างนี้ผู้ไม่เข้าใจอย่างนี้ มุ้งเอาแต่ใจสงบลงอย่างเดียวให้ใจใจสงบเป็นหนึ่งถ้าใจสงบเป็นหนึ่งอยู่ได้นานไปนั้นจึงชื่อว่าตนภาวนาเป็นแล้วก็ได้ความสบายใจดีไม่อยากคิดอะไรให้ลำบากไ อ, อ้อย่างนี้มันก็ได้แค่สมาธิเท่านั้นไม่ได้ปัญญาได้แค่สมาธิมันก็เพียงแค่ได้สะกดกิเลสให้ระ ง, งับไปชั่วคราวเท่านั้นเอง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 เมื่อมันเห็นอย่างนี้แต่มันจึงคลายออกไ ป, ไปคลายความรักความชังออกไปมันคลายไม่หมดทีเดียวมันก็คลายไปทีละน้อยแต่น้อยเราพิจารณาบ่อยๆเขาไปมันก็คลายออกไปเรื่อยๆไปอันนี้เราเรียกว่าอุบายวิปัสสนาเมื่อเมื่อมันเห็นแจ้งซาย่างนั้นก็วางไว้ตามสภาพเราวางไว้ตามสภาพของมันเรียกว่าไม่ยึดถือบบบนี้นะเห็นแจ้งซาถายสงสัยแล ว่าของสิ่นี้ไม่ใช่ของเราก็วางไว้อย่างนี้นะเหมือนอย่างเราเอาของคนอื่นมาอย่างนี้นะมาพิสูจน์ดูไอของนี่ไม่ใช่ของเรานี่พอรู้ว่าเจ้าเราก็เอาวางนะวางไว้ที่เดิมมันให้เจ้าของเดิมเข้ามาเอาไปถ้าโอ้นี่ถ้าเป็นของเราโน่นนี่ก็กรรมเอาไว้ <c oughs> ก็อย่างนั้นนี่แต่นี้ฉันใดเราใช้ปัญญาเพ่งแต่เมื่อยังไม่ได้เจริญปัญญาเราก็รู้ว่า ร่างกายนี้เป็นของเราอยู่นั้นเนี่ยแต่พอมาเพ่งดูอยู่ด้วยปัญญาเราเห็นชัดตามปัญญาแล้วจึงได้ลงความเห็นว่าไม่ใช่ไม่ใช่ของเราเมื่อไม่ใช่ของเราจิตมันก็วางสิแบบนี้นะนมันก็วางไม่ก็คลายความยินดียินร้ายลงไปเมื่อมันคลายลงไปนะั้นจิตมันก็รวมลงแค่นี้ก็มันรวมลงกับเหลือแต่ความรู้กับสติแบบนี้น ล้วก็ประคองความรู้ความเห็นนั้นไว้ให้มันแจ้งกระจ่างอยู่ในใจอย่างนั้นเท่าที่มันจะอยู่ได้ถ้ามันอยู่ได้พอสมควรแล้ววันนี้อ้าถ้าว่ายังมีเวลาอยู่ก็พิจารณาเรื่องอื่นต่อไปยังไม่แจ้งเรื่องใดก็กำหนดเรื่องนั้นมาพิจารณาเห็นแจ้งชัดล้วก็คงก็วางลงเหมือนเดิม จนกว่าจะสมควรแก่เวลาก็เลิกลากันไปพักผ่อนทำเรื่องนี่แหละการเจริญสมาวิภาสนาให้พึ่งเข้าใจดำเนินตามนี้แล้วไม่ผิดทางสายกลางแน่นอนเลยทีเดียวดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้